เรื่องกรรมฐานไม่ถูกอัธยาศัยพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันส่งปรารภภิกษุสิทธิ์ของพระสารีบุตรูปหนึ่งได้ยินว่าภิกษุสิทธิ์ของพระสาวรีบุตรูปหนึ่ ง, ง, ปงเป็นบุตรของนายช่างทองรูปสวยบวดแล้วเป็นพวกคนหนุ่มมีราคะมาก จึงได้ให้อสุภาษกรรมฐานแก่เธอเพื่อกำจัดราคะแต่กรรมฐานไม่เป็นที่สัตปายะคือไม่สบายสำหรับท่านท่านเข้าไปสู่ป่าพยายามอยู่สามเดือนไม่ได้ซึ่งแม้ความเป็นผู้มีสมาธิแน่วแน่จึงกลับมาอีกรันบอกกรรมฐานใหม่ให้ดีขึ้นอีกให้กลับไปทำใหม่แม้วาระสองก็ไม่อาจยังคุณวิเศษใหเกิดขึ้นได้ กลับมาอีกพระเถระคิดว่าภิกษุผู้นี้มีความเพียรเป็นผู้ปฏิบัติแต่ไม่รู้อัธยาศัยของภิกษุนี้พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้จึงพาไปเฝ้าพระศัสดาพระสัสดาผู้มีอาสยานุสยายานส่งรู้อัธยาศัยถึงความเป็นสัพพัญญูนั่นแลทสงรำพึงว่า ภิกษุนี้บวชจากสกุลช่างทองส่งพิจารณาจากอัตภาพที่ล่วงมาแล้วส่งเห็นอัตภาพที่ห้าร้อยของภิกษุนั้นเกิดด้วยลำดับเฉพาะในสกุลช่างทองทาหน้าที่ในช่างทองอยู่กาลนานหลอมแท่งทองที่มีสีสุกอย่างเดียวอสุภะปฏิกูลกรรมฐานไม่เหมาะแก่ภิกษุผู้นี้กรรมฐานที่พอใจเท่านั้น จึงจะสับปายะคือสบายเหมาะสมแก่เธอจึงตรัสว่าสาวรีบุตรเธอจะเห็นภิกษุที่ลำบากมาตลอดสี่เดือนบรรลุอรหัตภายหลังพัตหาในวันนี้ลหละดังนี้แล้วทรงเนรมิดดอกปทุมทองประมาณเท่าจักด้วยพระฤทธิ์แล้วประทานให้เอาเธอ เธอจงถือเอาดอกปทุมนี้ไปวางที่ท้ายวิหารนั่งสมาธิในที่ตรงหน้าแล้วบริกรรมว่าโลหิกังโลหิกังคือสีแดงสีแดงเมื่อภิกษุรับดอกปทุมคือดอกบัวจิตเลื่อมใสแล้วบริกรรมโลหิกังโลหิกังครานั้นนิวรนทั้งหลายระงับไปแล้วขณะนั้นนั่นเอง อุปจาราชาญเกิดขึ้นแล้วอย่างประมมาชาญให้เกิดขึ้นถึงความเป็นผู้ชำนาญโดยอาการห้าวสีความชำนาญอาการหคืออวัชนะการนึกสมาปัญชนะการเข้าวุฒธธานะการออกอธิฐานะการตั้งอยู่และปัจเจเวคขนณะการพิจารณา เมื่ อ, อยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นโดยความชำนานทั้ง5อาการนั้นแล้วนั่งอยู่ตามเดิมนั่นเทียวปรลุฌานทั้งหลายมีทุติยฌานตติยฌานตตุตถฌาน ช, ชำนาญอยู่คือสำเร็จฌานทั้งสี่พระศาสดาทรงทราบแล้วพิจารณาดูว่าภิกษุนี้จะอาจยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นตามธรรมดาของตนหรือไม่ ทรงทราบว่าจักไม่อาจแล้วจึงทรงอธิษฐานว่าขอดอกปทุมนั้นจงเหี่ยวแห้งไปดอกปทุมได้เหี่ยวแห้งแล้วภิกษุออกจากฌานแล้วพิจารณาดูดอกปทุมนั้นเห็นอ น, นิจจาลักษณะความไม่เทียงว่าทําไมหนอดอกปทุมนี้ถูกชรากระทบแล้วจึงปรากฏได้ แม่อุปทินกนกสังขารคือสังขารไม่มีวิญญาณครองชราครอบงำได้ในอุปทินหนกสังขารคือสังขารที่มีวิญญาณครองอัญชราคงจะครอบงำแน่นอนแม้ร่างกายของเรานี้รั้นอนิจจลักษณะ น, นั้นท่านเห็นแล้วทุกขลักษณะความทนยากทนอยู่ไม่ได้ และอนัตตลนะักษณะความไม่เป็นอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้ก็ย่อมเป็นอันเห็นแล้วเหมือนกันพบสามปรากฏแล้วแก่ท่านดุดไฟติดทั่วแล้วและดุดซากศพอันผูกไว้ที่คอคือติดตาในขณะนั้นพวกเด็กลงสู่สระน้ำในที่ไม่ไกลภิกษุนั้นนั่งอยู่เด็ดดอกโกมุตทั้งหลาย แล้วกองไว้บนบกเธอแลดูดอกโกมุดทั้งบนบกและในน้ำดอกโกมุดในน้ำงดงามแต่ดอกโกมุดบนบกนั้นเริ่มเหี่ยวแล้วที่ปลายเธอพิจารณาเห็นอ น, นิจจลักษณะชัดขึ้นว่าชราย่อมกระทบอนุปาทิน ก, กะสังขารคือสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองนี้ ทำไมจึงไม่กระทบอุปธินกะสังขารคือสังขารที่มีวิญญาณครองเล่าพระศาสดาทรงทราบแล้วว่าบัดนี้กรรมฐานปรากฏแก่เธอแล้วทรงเปล่งพระราศมีไปต่อหน้าทรงกำหนดธรรมะอันเป็นที่สัพเพยะคือสบายและเหมาะสมแก่เธอจึงตรัสพระกถานี้ว่า เธอจงตัดเยื่อใยในตนของตนเสียเหมือนบุคคลถอนดอกโกมุตที่เกิดในสะด้วยมือจงเจริญทางแห่งสันติคือนิพพานทีเดียวเพราะพระนิพพานอันพระสุคตแสดงแล้วอธิบายคำว่าจงตัดเยื่อใยคือจงตัดด้วยอรหัตมัคคยาน ทางแห่งสันติคือสันติมัคคือทางอันมีมัคองแปดที่ยังสัตให้ถึงพระนิพพานมัคมีองคปดได้แก่ปัญญาศีล ส, สมาธิพึงเริ่มที่ตัวสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเบื้องต้นที่เชื่อเรื่องกรรมเชื่อพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องรกสวรรค์ชาตินี้ชาติหน้า มักผลนิพพานแล้วมักอีกเจ็ดองจึงจะเกิดรับพึงเน้นสัมมาสติสติมาปัญญาเกิดพึงประคับประคองจิต ด, ด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรประคับประคองให้เป็นอาตาปีสัมปชาโนสติมาดังนี้สันติมักขังคือทางแห่งสันติคือพระนิพพาน พึงเจริญทีเดียวในการจบเทศนาภิกษุรูปนั้นตั้งอยู่ในพระอรหัดแล้วดังนี้แหละ